อพอดีที่มากินนะไอ้ไม่ได้มากินนั้นต่างหากมันมากขนาดนั้นเมื่อมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ณนะบ่อตรงนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นสะสางชีวิตในวัตฏะตัวเองยังไงถ้าอย่างตอนนี้นะเราอยู่อย่างนี้กันก็เริ่มต้นสะสางว่าเออถ้าเราจะออกจากวัตฏะนะัศีลเรามีไหมปรารบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นศีลได้ไหม ปรารบให้เป็นสมถะได้ไหมปรารบให้เป็นวิปัสนาได้ไหมวิปัสนาก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ได้ไหมกังขาวิตรณวิสุทธิ์ได้ไหมมักคามักขายาณทัศ น, นวิสุทธิ์ที่เป็นต้นได้ไหมเจริญได้ไหมไอ้ยางนี้ยังพอเริ่มต้นได้บ้างไงแต่ถ้าไปอยู่หน้าที่นั้นนี่จะเอาอะไรมาเริ่มต้นหูก็ไม่มีจะฟังไม่มีจะฟังเสียงพระธรรมนะมีฟังเสียงว่าเขาตัดกระสอบอาหารมาเทให้เราหรื อ, อยังนะมีฟังไว้แค่นั้นนะตาเนี่ยก็มีไว้เห็นอาหาร เห็นเหยื่อเห็นอาหารเห็นเหยื่อเห็นอาหารก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโอกาสศึกษาพระธรรมที่จะออกจากวัดตะนั้นไม่มากดังที่กล่าวตอนตอน้นว่าขอเป็นสาวกพระพุทธเจ้าต่อชาตินี้ก่อนกันยังดีใช่ไหมเพราะถ้าเป็นสาวกสมัครเข้าเป็นสาวกไม่สําเร็จนะที่เหลือก็เรียบร้อยแล้วจะไปยังไงกันเนาะเนี่ยนะจะไปยังไงกันเนาะแต่เฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าไ อ, ไอ้ตัวที่จะเป็นเหตุให้พาไปในวัดตะก็คือการ ชื่นชมวัตตะความเพลิดเพลินในวัตตะเราคิดว่าวัตตะมันดีนนะก็คือตามเห็นแต่อัศสสาธะาของวัตตะพอเราคิดว่าวัตตะทั้งหลายมันมีอัศสสาธะามากมีความน่าพอใจมากน่ายินดีมากถ้าเรามองเห็นสิ่งนั้นน่ายินดีอย่างเต็มที่เราคิดหรือว่าเราจะเอาสิ่งนั้นมาโดยสุจริตทำแน่ใจขนาดไหน อย่างน้อยก็สแสวงหาสิ่งนั้นด้วยอภิชากับโทมนั์ก่อนต้องการสิ่งนั้นด้วยอภิชาและโมม um ทมานต์เมื่อต้องการสิ่งเหล่านั้นนั้นด้วยอภิชากับโทมนั์เราก็เลยทําบาปทํากรรมตั้งมากเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราคิดดูนะไล่ดูว่าอารมณ์ไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปประกรรมบาปอย่างหนึ่งกรรมอย่างหนึ่งกรรมนี่ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเมื่อสังขารทุกชนิดเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นที่ตั้งแห่งกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วมันจะจบที่ไหนมันจบที่ไหนใช่ไหมเอ้าก็กรรมในอดีตให้ผลปัจจุบันและอนาคตกรรมปัจจุบันให้ผลปัจจุบันและอนาคตกรรมอนาคตก็จะให้ผลในอนาคตเพมัะเราไปทุกแห่งไปเพื่อทํากรรมไปเพื่อไปเพื่อสร้างกรรมไปทุกแห่งไปทรรํปทากรรมไปทำวัจีกรรมมโนกรรมกายกรรมไปทํากายกรรมวัจีกรรมแลย มโนกรรมอดีตที่ผ่านมาโคจรทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปัจจุบันก็โคจรทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอนาคตก็ไปเพื่อทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมสามอย่างเหล่านี้คูณอารมณ์6นะในอดีตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีรูปเป็นอารมณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเสียงเป็นอารมณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีกลิ่นเป็นอารมณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีรสเป็นอารมณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมี โพธภาพเป็นอารมณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีธรรมะเป็นอารมณ์สรุปว่ากรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคูณอารมณ์6ก็เท่ากับกรรม18ทุกแห่งไปทํากรรม18อดีตที่ผ่านมาก็ทํากรรม18เพื่อให้ผลปัจจุบันและอนาคตต่อไปปัจจุบันนี้เราไปเที่ยวทํากรรม18เหล่านี้ตามทวารต่างๆตามอารมณ์ต่างๆเพื่อให้ผลในชาตินี้และผลในภพ ต, <PTSD> ต่อต่อไ ป, ม, ปออมีแต่เป็นอย่างนี้ตลอดมีแต่เป็นอย่างนี้ตลอดเที่ยวไปในลักษณะนี้ตลอดเลยนะมันเมื่อเป็นไปอยู pace, ่อย่างนี้เพราะอะไรถ้ายังมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมอารมณ์ถ้ายังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์อยู่วัตตะของเราไม่มีจบถ้ายังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์อยู่มัะเขาพิจารณาอย่างไรจึงจะหลีกออกจากสังขารธรรมให้ได้ถ้าหลีกออกจากสังขารธรรมไม่ได้ก็หลีกออกจากจุติแล ปฏิสนธิไม่ได้ถ้าหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ก็หลีกออกจากความเกิดความแก่ความตายหลีกออกจากชาติชรามรณะโสก ป, ปริเทวะทุกโทมนัสอุป arrow, อายาตไม่ได้แล้วทํำยังไงล่ะพิจารณาอย่างไรจึงจะหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้เพรัน Amend? ตามเห็นโทษของรูปเท่าที่รูปมีอยู่ตามเห็นโทษของเวทนาเท่าที่เวทนาเท่าที่โทษมีอยู่ อตามเห็นโทษไม่เหมือนโทสะนะโทสะเห็นโทษที่ไม่เป็นจริงแต่ปัญญาเห็นโทษตามที่เป็นจริงมันตามหาเห็นโทษตามดูโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่าที่มีอยู่จริงโทษของเขาเนี่ยนะลัดฟังจําง่ายๆเลยก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา น <attract> ี <ne otic itet> ่คือธรรมชาติของเขาจริงแท้แน่นอนเลยเมื่อไรก็เมื่อนั้นเหมือนกันหมดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปลีนไปเป็นธรรมดาเวทนาอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันเหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปลีนไปเป็นธรรมดามันทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเราหลงชื่นชมขันที่ไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเราหวังขันต่อไปในอนาคตก็หวังสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาปัจปจุบันนี้ล่ะคิดหรือว่าเราจะอ่านะคิดหรือว่าเราเนี่ยจะจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ใช่เราก็ยังอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นเห็นเห็นเลยนะว่าขันในอดีตก็หมดไปแล้วในอดีตไม่ได้มีอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้เลย ขันในปัจจุบันนี้ก็คงจบอยู่ในชาตินี้ไม่มีเลยไปหาชาติหน้าอะไรหรอกไม่มีเลยหมดอยู่ในชาตินี้นี่แหละเนี่ยนะหมดอยู่ในชาตินี้จริงๆต่อไปว่าเอาแล้วตอนนี้นะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ในวัยบางคนวัยยี่สิบบางคน ว, 30, วัยสามสิบวัยแปลว่าเสื่อมบางคนเสื่อมมาได้ยี่สิบปีแล้วคุณกรหนกเสื่อมมากี่ปีแล้วสิบเก้าปีแล้วเสื่อมมาสิบกว่าปีแล้วนะ จะขึ้นเสื่อมเพิ่มกว่านี้อีกไปเรื่อยๆนะเชื่อเหจะไม่มีหนุ่มเพิ่มกว่านี้แล้วมีแต่แก่เพิ่มแก่เพิ่มไปเรื่อยๆในบางคนก็เสื่อมมา20ปีบางคนก็เสื่อมมา30ปีบางคนก็เสื่อมมา40ปีบางคนก็เสื่อมมา50ปีบางคนก็เสื่อมมา60ปีบางคนก็เสื่อมมา70ปีป้าจะในเสื่อมมา70กว่าปีแล้วนะเท่านั้นเสื่อมมา79ปีแล้วคุณป้าข้างนั่งข้างหลังสุดก็เสื่อมมา80กว่าปีแล้วเยนะ ก็เสื่อมไปเรื่อยเขารียกว่าวัยวัยแปลว่าความเสื่อมก็เสื่อมทยอยเสื่อมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเยเนี่ยนะเพราะว่าความหนุ่มสาวมีความแก่เป็นที่สุดมีความแก่เป็นที่สุดก็เสื่อมไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อแสดงว่าหลายคนบางคนกําลังอยู่ในปฐมวัยก็เดี๋ยวไม่นานสักเท่าไหร่จากเสื่อมจากปฐมวัยเข้าสู่มัชชิมวัยบางคนก็จากเสื่อมจากมัชชิมวัยเข้าสู่ปัชชิมวัยเนี่ย ปีนี้เนี่ยในะอย่างปีใหม่เนี่ยนะบางคนนี่เสื่มจากปฐ ม, มวัยเข้าสู่มัชชิ ม, มวัยเรียบร้อยบางคนก็เสื่อมจากมัชชิมวัยเข้าสู่ปัจฉิมวัยเรียบร้อยบางคนนี่ก็อยู่ในปัจฉิ ม, มวัยเรียบร้อยแล้วไม่มีเลยเลยใหม่ก็ไปหาปฐ ม, มวัยใหม่นะก็วนกลับไปหาชาติชาราไปหาชาติใหม่เนี่ยนะเพราะที่สุดของแต่ละชาติคือที่สุดของทุกชาตินะคือชาราและมรณนะที่สุดของทุกพบคือชาราและ มรณะถ้าชราเกือบมรณะแล้วก็แปลกลับไปหาชาติต่อไปก็มีอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจห้ามได้ไหมไอ้ที่เป็นหนุ่มแล้วก็อย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าป่วยที่ป่วยแล้วก็อย่าตายใครมีอำนาจจริงๆไหมห้ามเถอะจงห้ามมาช่วยกันห้ามมาร่วมกันอ้อนวอนกันทาได้นะขอให้ทุกคนอย่าแก่อย่าแก่อย่าเพิ่งแก่ยายาไอ้ที่พูดยิ่งรีบแก่มากนะพรยิ่งพูดยิ่งเครียดมันรีบแก่เพิ่มแก่เพิ่มแก่เพิ่มเงินไปเรื่อยๆกันเรื่อย ไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงแล้ววัยเหล่านี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่านะไอความตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทุกแบบหนุ่มแบบสาวใช่ไหมแก่มาก็ทุกแบบคนแก่เกือบจะตายก็ทุกแบบคนเกือบจะตายพอตายไปแล้วก็ทุกแบบคนตายไปแล้วเพราะเกิดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทุกใหม่ใหม่ไปเรื่อยวาไม่มีใครมีอำนาจด้วยแล้ววัยเหล่านี้ต้องสิ้นไปไวัยสิ้นไปตามคืนและวันนะวัยทั้งหลายสิ้นไปตามอา่ะบะพูดแบบรวมๆนะวัยทั้งหลายสิ้นไปทุกๆุกสิบ ป, ปี แต่ละสิบปีนี uh ่ก็เสื่อมมาเรื่อยเสื่อมมาเรื่อยเสื่อมมาเรื่อยสบปีที่หนึ่งเป็นยังไงเนี่ยนะหลายคนตอนนี้ก็ผ่านพ้นสิบปีที่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วกำลังอยู่ในสิบปีที่สองเกือบจะผ่านไปบางคนก็ย่างเข้าสิบปีที่สามแล้วก็บางคนก็กำลังจะผ่านไปบางคนก็เข้าสู่สิบปีที่สี่บางคนก็กำลังเข้าสู่บางคนก็กำลังจะกล้ามข้ามไปเจมวยนี่เกือบข้ามวัยสี่สิบไปแล้วนะ เกือบแล้วอีกหน่อยก็ข้ามพ้นแล้วนะรา hmm. กาจกระโดดข้ามไปเรื่อยเนี่ยนะเสรตจแล้บางคนก็ผ่านวัยห้าสิบปีก็ะนะผ่านสี่สิบไปสู่ห้าสิบบางคนก็วัยจากสี่สิบไปห า, 50, าปห้าสิบจากห้าสิบไปหาหกสิบบางคนจะจะผ่านหกสิบหยกหย ก, ยกขึ้นเจ็ดสิบหย่อนหย่อ น, อนผู้การผู้การเนี่ยผ่านหกสิบหยกหยกขึ้นเจ็สิบหย่อนหย่อนก็ อ, น อ, อีกไม่กี่วันก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยน ะ, นะ hmm. แล้วก็หลายคนก็จะผ่านเจ็ดสิบหย่อนหยอนมาเหลือนะแปดสิอเจ็ดสิบหย่อนหยอนก็จะเจ็ดสิบใช่ไหมทีนี้ถ้าเจ็สิบหย่อนหยอนก็จะเป็นแปดสิบถ้าแปดสิบหย่อนหย่อนนะก็โอ้โหอันนี้หนักมากะนะมีโยมคนหนึ่งเอาไปเยี่ยมันวันก่อนอายุเก้าสิบกว่าแล้วเห็นแล้วก็เห็นใจเลยนะเป็นไหนก็ไปไม่ได้ก็เฝ้าบ้านอยู่นั่นแหละเขาไปตั้งไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ยังมากก็ขยับขยีเคลื่อนไหวได้ในรัศมี20เมตรเนี่ยนะก็ได้เท่านั้นนะไม่ต้องใช้โซ่ล่ามด้วยนะไปเดยก็อยู่แถวๆนั้น น, ะนะนั่นแหละเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ไกลไม่ต้องห้ามก็ได้เพราะอยู่แถวๆนั้นนะ90ไปแล้วถ้ายิ่งร้อยปีไปแล้วเนี่ยตั้งตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยถ้าร้อยกว่าปีไปแล้วก็เรียบร้อยไม่มีการย้ายอีกต่อไปแล้วนะจุติอย่างเดียว ก็ก็อยู่อย่างนี้ทุกวัยก็เสื่อมสิ้นไปเสื่อมสิ้นไปไวัยทั้งหลายก็เสื่อมสิ้นไปผ่านไปมันไม่ใช่เสื่อมทุกๆุกสิบปีเท่านั้นนะแม้แต่ทุกห้าปีมันก็เสื่อมอนะทุกห้าปีใช่ไหมตอนแรกๆบางคนเนี่ยจำได้นะชีวิตตัวเองเนี่ยตอนอายุห้าจากคลอดออกมาถึงห้าปีนะบางคนจําภาพตัวเองได้ว่าสมัยนั้นถูกพ่ออุ้มแม่อุ้ ม, ม, มนั่งอยู่บนตักพ่อตักแม่เนี่ยนะนะบางคนเนี่ยจำตัวเองได้ว่าเคยถูกเขาหาบถูกเขาหามไป บางคนก็จําได้ว่าตัวเองนี่นอนอยู่ในเปลมีคนกล่อมเฮเป็นต้นเนี่ยแต่วัยเหล่านั้นเหลือไหมหมดแล้วแล้วก็วัยเข้าสู่อนุบาลนะเข้าเรียนเข้า เ, าเรียนอนุบาลเข้า เ, าเรียนประถมต้นประถมต้ น, ต, นต้นเลยนะก็คือจากห้าปีไปถึงสิบปีก็จําได้ใช่ไหมเป็นเด็กก็ล ก, ก, ลกไปวิ่งปอหนึ่งปอสองปอสามปอสีปอห้าก็ไล่ไปด้วยมาจนถึงสิบปีถึงช่วงสิบห้าปีประถมหมัธยมหนึ่งสองสามก็วัยเหล่านั้นก็ ผ่านไปเรียบร้อยแล้ ว, วนะนะพอมาขึ้นมัธยมปลายเนี่ยนะก็ชีวิตผ่านเรานั้นก็ผ่านปลายมาขึ้นอุดมต้นอุดมกลางอุดมปลายชีวิตก็ไหลผ่านมานะนะไปจนถึงจบการศึกษาเที่ยวแสวงหากินสมัครงานที่หนึ่งก็ผ่านไปงานที่สองก็เข้ามางานที่สมก็ผ่านไปในที่สุดก็กเกษียณนะนะก็เกษียนณะนะนะในที่สุดก็กเกษียณอายุ ด, ด้วยนะยังแปลไม่ค่อยออกเกษียนณะจริ ง, รงๆนี่แปลว่าอะไรโดยสารนิมนต์นะิมนะุตนะ ก่าเษียนนี่โดยศัพท์แปลว่าอะไรหวังพึ่งหวังพึ่งอักษรศาสตร์ซะหน่อยล่ะก็หวังทั้งสองคนนั่นแหละก็ะไม่ไม่ถามแล้วเดี๋ยวเข า, าเอามาประจานไม่ดีเกิดนน่าจะสิ้นไปเสื่อมไปแล้วนะเามันก็ประกาศถึงว่ามันไม่เหลือแล้วนะเช่นกเกษียณจากสิ่งใดก็แปลว่า พ้นจากสิ่งนั้นเคลื่อนไปจากสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยนะพ้นไปแล้วในที่สุดชีวิตก็จะพ้นไปอีกมันทุกๆปีที่ผ่านมาทุ ก, ทกปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้เคลื่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้ถ้าเรามาดูชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆสามี่ 3, เดือนเนี่ยนะอย่างเมื่อตอนหน้าฝนเราก็สภาพอีกอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่ในกลางท่ามกลางหน้าหนาวหมดหน้าหนาวย่างหน้าร้อนก็ย่างเข้ามา ในทุกฤดูกาลเนี่ะทุกสี่เดือนสามเดือน4ี่เดือนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชีวิตเปลี่ยนทุกๆุสองเดือนใช่ไหมอย่างสองเดือนนี้อยู่ที่ไหนสองเดือนนั้นอยู่ที่ไหนสองเดือนนั้อยู่ที่ไหนไปทํากิจกรรมอะไรบ้างบางคนนี่ก็ยักย้ายเคลื่อนไปทุกๆทุกเดือนนั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนจริงจริงก็เปลี่ยนไปทุกๆุกสิบห้าวันเนีนะทุกทุกสิบห้าันถ้าว่าจริงๆก็เปลี่ยนทุกวันน่นแหละเนี่ะเปลี่ยนทุกวันนั่นแหละดูได้จากเนีนะ ที่นี่ในแต่ละวันก็เปลี่ยนเองนะเปลี่ยนเป็นเช้าจากเช้าไปเที่ยงจากเที่ยงมาเย็นจากเย็นมาหัวข้ามกลางเดึกแล้วก็เคลื่อนเปลี่ยนมาเป็นช่วงเช้ามาอีกเช้ามหมีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมาเคลื่อนทุกๆตรงนี้ก็พูดชัดนะกว้างเลยใช่ไหมทุกๆสี่ชั่วโมงเปลี่ยนทุกๆสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนทีสี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนที แต่เอาเข้าจริงๆมันก็เปลี่ยนทุกชั่วโมงนั่นแหละชั่วโมงที่หนึ่งอยู่ที่ไหนชั่วโมงที่สองอยู่ที่ไหนชั่วโมงที่3อยู่ที่ไหนชั่วโมงที่สี่บางทีก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงนั่หะหนักๆเข้าก็ทุกๆนาทีนั่นแหละถ้าความคิดด้วยเปลี่ยนทุกๆวินาทีเปลี่ยนทุกๆวินาทีพวะนาทีหนึ่งทวารหนึ่งอีกวินาทีหนึ่งก็เลื่อนไปอีกทวารหนึ่งก็สับหมุนเวียนเปลี่ยนทวารถึงทวารเดียวก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะใครที่มาฟังทำด้วย เสียงก็ขอมาก็พูดคาใหม่ๆไปเรื่อยโซตะวิญญาณโสตัทวาวิถีก็เปลี่ยนเสียงไปเรื่อยไปเรื่อยเนื้อหาก็เนื้อคิดติดตามไปเรื่อยก็เป็นลักษณะนี้มันอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงโลกในสิ่งที่ไม่มีใครมาหยุดได้ด้วยนะไม่มีใครหยุดได้หยุดได้จริงๆไม่ได้ทําไมมันจึงหยุดไม่ได้ก็เพราะความเป็นทุกข์ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ดีจริงสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์แบบไม่บูรณาการไม่ใช่เป็นสิ่งเลิศประเสริฐอะไร มันธุ์จึงมีแต่ความเปลี่ยนไปเรื่อยสิ่งใดที่เปลี่ยนไปสิ่งนั้นะมันเป็นทุกข์เพราะไม่คงทนอยู่สภาพเดิมอะไรได้แล้วใครมีอำนาจจริงมั่งไม่มีเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจจริงว่าขอจงอย่าเปลี่ยนเลยไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแล้วก็จงเปลี่ยนไปดีอย่างที่ตัวเองต้องการโดยส่วนเดียวก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้โลกของสังขารธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละ นี่ความเปลี่ยนแปลงเ네นี่ยถ้าลงรายละเอียดมาธมรรมดาก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนอยู่บ้านกับตอนนั่งอยู่นี่เหมือนกันไหมตอนข้ามาก็อย่างหนึ่งแล้วตอนกลับไปก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะรูปประทมทั้งหลายที่เป็นไปขามากับขาไปก็ไม่เหมือนกันเต็เมไ ป, ไปอีกตอนรูปประทมขณะเดินก็ไม่เหมือนขณะนั่งขณะนอ น, นและขณะยืนก็ถือว่าคนละคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนไปรูปที่เป็นไปในตอนเดินก็หมดอยู่ที่เดินนั่นแหละไม่ได้ไปถึงนั่งอะไรหรอก รูปที่เป็นไปในขณะนั่งก็ไม่ถึงนอนรูปที่เป็นไปในขณะนอนก็ไม่ถึงยืนที่ยืนก็ไม่ถึงขณะนั่งนั่งก็ไม่ถึงขณะเดินเดินก็มาซหมดสิ้นไปนะที่นั้นๆสิ้นไปเสื่อมไปนะที่นั้นๆั้นั่นแหละเนี่ยนะมันหมดไปดับไปแปรไปปรวนไปนะที่นั้นๆันั่นเองก็อย่างว่านะเหมือนผมของเราทั้งหลายที่มันร่วงไปนะที่ใดมันก็ถือว่าหมดไปนะที่นั้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสริระส่วนต่างๆของร่างกายก็ เที่ยวกระจัดกระจายเรี้ยวรายไปเรื่อยอ่ะนะกระจายมาจริงๆนะผมของเราเนี่ยไปกระจายที่ไหนมาบ้างนันนะทั่วไปหมดเลยนะเพราะผมเนี่ยวันหนึ่งร่วงค่อนข้างมากนะร่วงวันหลายเส้นมากขนก็ร่วงวันหลายเส้นแล้วก็เที่ยวกระจายผมกระจายขนไปกระจายเล็บตัดเล็บทิ้งไปทั่วไปหมดเลยไนงะกระจายอะไรกระจายน้ำลายบ้างกระจาย แปลงฟันกระจายอุจระปัสสวะเที่ยวกระจายทั่วไปหมดเลดีว่าที่เขามีเขาเก็บดีหน่อยไม่เหมือนอินเดียอินเดียกระจายทั่วเคลื่อนกลาดแผ่นดินไปหมดเนี่ยนะตอนนี้ของเราก็กระจายทั่วแผ่นดินนี่แหละแต่ว่าฝังลึกหน่อยขนาดนนะ่ะขนาดขนาดนั้นก็ยังเก็บมาสรดผักให้กินต่อไปอีกโอ้ยผักอร่อยอร่อยนะเขียวกรอบอร่อยนะที่ไหนได้เพิ่งล้างออกมาหยกหยกนี่แหละเนี่ยนะแสดงว่าไม่รู้นี่แสดงว่าไม่เคยอยู่กับสวนผักมาก่อนจึงไม่รู้อะไรเนี่ยนะ ปุ๋ยเคมีที่ไหนมารดเนี่ยนะถ้าปุ๋ยเคมีใช้แต่ปุ๋ยเคมีรสอย่างเดียวนะผักของเราจะแพงขึ้นกว่า น, นี้เป็นสิบเท่าอันนี้เนื่องจากว่าใช้ของเก่ามาช่วยรสก็เลยะเอามากินที่กรอบอร่อยบอกบางทีก็บอกว่าใช้อุจจารารสบอกปราศจากสารเคมีปรานั้นสบายมากอนะลยดีหน่อยก็ใช้ของของบัวของควายบ้างของอะไรไปบ้างนะของหมูบ้างของอะไรบ้างของหมูรสมากก็ไม่ได้ตายมันร้อนจัด น, นะนะ ใช้ของไก่บ้างของอะไรบ้างก็หมุนหมุ น, มนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปนี่แหละวันพวกโลกของอรูปที่เป็นไปที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะมันเปลี่ยนไปอย่างนี้จนเราไปไปคาดหวังอะไรในในรูปเหล่านี้ไม่ได้แล้วรูปที่เกิดจากาจากอะไรนะจากกรรมบ้างรูปรูปที่เกิดจากจิตนะรูปที่เกิดจากจิตจริงๆมันก็เปลี่ยนไปทุกๆ ท, ทุกขเวทนานั่นแหละง่ายๆนะถ้าเวทนาเนี่ยจิตเน ma, pues ี拜拜่ยดูจากเวทนานี่ง่ายโรูปรูปทั้งหลายที่ตอนเวสุขเวทนาเป็นไปตอนที่เป็นทุกขเวทนาเป็นไปตอนที่เป็นอุเบกขาเวทนาผ่านไปโรปทั้งหลายที่ที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเวทนาแต่ละเวทนาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปสุขเวทธรรมให้เกิดกิริยาอาการต่างๆทุกขเวทนาทําให้เกิดรูปมีกิริยาอาการต่างๆอุเบกขาเวทนาที่ทําให้รูปเกิด กิริยาอาการต่างๆแล้วอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันอันนี้ส่วนที่เป็นไปแห่งจิตตชรูปแล้วรูปจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตเหล่านั้นเนี่ยนะเราจะบอกว่าเออแกจงหัวเราะให้ได้มีแต่เสียงหัวเราะดังก้องตลอดไปทําได้ไหมให้รูปที่เป็นไปกับเสียงหัวเราะอย่างเดียวให้รูปที่เป็นไปกับความเศร้าอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวก็เป็นไปกับความดีใจบ้างเป็นไปกับความเสียใจบ้างเป็นไปกับหัวเราะบ้างเป็นไปกับ ร้องไห้บ้างเป็นไปกับความดีใจบ้างเป็นไปกับความเสียใจบ้างรูปทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะถ้าเราเก็บภาพวิดีโอเอาหน้าของเรามาแบบแบบมีกล้องจอหน้าอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายภาพเร็วมานั่งดู <S <S เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หันซ้ายเดี๋ยวก็หันขวาเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็เบี้ยวเดี๋ยวก็อะไรก็มุนหุนอย่างเงี้ยนะไซจะดูหน้าขำมากเลยนะหน้าขำหรือหน้าสังเวชควรแก่การสังเวช ควรที่สังเวชแล้วว่าสลดใจนะนะควรที่ตั้งแห่งความสลดใจว่าโอ้มาเป็นอยังงี้นี้ต่อไปว่าในส่วนของรูปเหล่านี้แล้วรูปที่เกิดจากอาหารก็ดังกล่าวไปที่บริโภคไปแต่ละมือแต่ละมือที่บริโภคไปเนี่ยนะขาไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกนะก็ไธมีสองปากใช่ไหมปากหนึ่งก็ไหลเข้าปากหนึ่งก็ไหลออกอาหารก็ไหลเข้าทวารปากก็ไหลออกอีทวารหนึ่งก็ไหลเข้าไหลออก ทยอยเป็นไปมุนไปยอยู่อย่างนี้อาหารตอนขาเข้ากา็ดีใจตอนขาออกก็เดือดร้อนอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเดือดร้อนมากไปอินเดียเนี่ยรถหลายๆคันเนี่ยเห็นชัดเลยนะเดือดร้อนมากะก็กอยู่อย่างเงี้ยน้าป้าเฉลวยเนาะน้าป้าเฉลวยเป็นพยานไม่เป็นอย่างดีเลยนะนั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังเลนะก็คันเนี่ยนะที่เป็นอาหารชัรู้ก็เป็นอย่างนี้แหละขาเข้าก็เดือดร้อนขาออกก็ เดือดร้อนเนี่ยนะขาเข้าก็ลําบากกว่าจะมาปรุงเสร็จค้าออกก็โอุย้ยกว่าจะสร้างที่กําบังอะไรเนี่ยนะยุ่งยากคุ้นวายแล้วจิตตชโลปกกว่าจะบริหารความรู้สึกเนี่ยอุ้ยหนักมากก็คือบริหารความรู้สึกให้เป็นไปกับความดีใจบริหารทําไปทํามาก็เสียใจอีกแล้วแล้วของอุตุชโลปล่ะบริหารดินฟ้าลมไฟยังไง เพราะว่าเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปรูปของเราทั้งหลายที่รับไปรับกระทบกับอารมณ์ทั้งหลายภายนอกภายนอกมันจะเป็นยังไงก็พิจารณาดูนะว่ารูปของเราทั้งหลายนี่จริงๆนะเป็นสัตว์ที่เบาบางมากนะนะรูปนะรูปของเราทุกคนเนี่ยบาบางมากก็ต้องหาอะไรมาหุ้มตัวเองก่อนใช่ไหมถึงถ้าเทียบกับสัตว์ชั้นอย่างอื่นนะของเราเบาบางมาต้องหาอะไรมาคลุมตัว ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างร่มสร้างเงาให้ตัวเองพักเนี่ยนะเวลาเดินทางก็สร้างอะไรหาเหล็กหาอะไรมาหุ้มมาเป็นเกาะมาหุ้มกำบังตัวเองไปก็แสดงว่ามีความบอบบางมาอั น, นความบอบบางอันนี้ก็ต้องหาอุตุมารักษาในขณะเดียวกันอุตุนั้นแหละก็กลายเป็นเป็นตัวมาฆ่าเราไปเนี่ยนะเป็นตัวมาฆ่าเราไปอันบางคนนี่ก็บอกเออไปที่ไหนมีรถนี่ดีแอร์เย็นสบายมีคนบางคนเนี่ยนะ ติดเครื่องแอร์รถนั่นแหละนอนหลับแล้วก็ตายอย่างไรเพราะอะไรขาดอะไรก็บอกว่าขาดออกซิเจนเนี่ยนะขาดออกซิเจนตายกขบอกว่าขาดออกซิเจนเนี่ยหมอเขาบอกตรวจมาแล้วเลือดแดงมากเลยนั่นแหละว่าขาดออกซิเจนตายเขาบอกงั้นอืมหมพอพรทิพย์เขาบอกว่าเลือดแดงมากอานันไหน เราก็ไปคุยกับหมอพรทิพย์กันแล้วกันหมอพรทิพย์เขเล่ า, างั้นนะหมอพรทิพยนะ์นาำสกุลน่ะนะโรดจนะสุนันนะนะออืไม่รู้ถ้าหมอพรทิพย์หลอกมามาก็หลอกต่ อ, อพยาบาลก็เถียงก็เถียงหมอพรทิพย์เอากันแล้วกันเขาบว่าที่ที่ตายในรถนะตายในรถเนะี่ยเป็นอย่างไงที่ติดเครื่องแล้วหลับตายไปเลยเนี่ยเลือดจะแดงอ่าทีนี้มาดูต่อไปว่า จากทั้งหลายที่เป็นไปเนี่ยนะทั้งอาศัยอาหารชร้อโจิตตชรคประตูชรู ป, ป, รปแล้วสิ่งข้างนอกที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็มีแต่โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงพอมาพยายามสอบถามหลายคนนะกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเป็นเช่นนี้ไหมเขาบอกไม่เป็นหรอกนะนะบริเวณแถวเนี่ยคุณหลานมาอยู่มา30กว่าปีเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมตอนเมื่อก่อนเป็นเช่นนี้ไหมและอีก20ปีต่อไปเนี่ยนะถ้าเป็นคุณยายไปแล้วเนี่ยแถวนี้จะเป็นเช่นนี้ไหมอย่างเงี้ย เพไม่เป็นนะโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เป็นหลานอีนานก็เป็นยายอย่างเงี้ยเพโลกมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะเมื่อโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วสิ่งภายนอกมันมีการแปลเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมพวกถนนหนทางก็แปลเปลี่ยนเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็กรุงเทพจึงบอกขออภัยในความไม่สะดวกประจำเนี่ยนะก็เพราะว่าถนนเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็สร้างเพราะสิ่งเหล่านั้นมีความ เสื่อมเนี an ่ยนะมีความแปรปรวนต่อไปตึกเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ระเบิดเนี่ยนะสมัยใหม่ช่วงช่วงนี้นะช่วงกําลังสร้างอยู่อีกไม่นานตึกทั้งหลายก็จะได้รับการระเบิดที่ก็ยุบลงที่ก็ยุบลงเดี๋ยวก็ระเบิดโครมยุบลงแล้วก็สร้างขึ้นใหม่อันแต่แต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่ขาขึ้นอยู่ว่างั้นโดยรวมๆก็อยู่ขาขึ้นขาสร้างนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว่ายุบสะพานช่วงนั้นนะระเบิดบู๊มาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็อยู่อย่างเงี้อยู่ก็สร้างสร้างก็ก่อก็สร้างอยู่นี่แหละเนี่ย แต่ถ้าไม่มีการสร้างเลยแล้วประชาชนก็ตกงานเย็นอย่างนั้นก็ต้องมีงานให้พวกนี้ทําไปนะพวกปัดพวกกวาดพวกเช็ดพวกถูถนนหนทางบ้านเมืองทั้งหลายก็เปลี่ยนไปนะหลังคาบ้านก็เปลี่ยนไปพวกอาคารอารามบ้านช่องพวกตึกพวกเลือกสวนไรนานเนี่ยนะครใครที่ปลูกปลาปลูกปากล้วยปลูกอะไรเดี๋ยวก็โลชุดเก่าทิ้งเพิ่มชุดใหม่เข้าไปนะพวกแม้กระทั่งการจัดระเบียบสังคมแบบแผน ห้างร้านบริษัทคนเก่าก็ออกไปคนใหม่ก็ค่อยๆทยอยเข้ามาทยอยออกทยอยเข้าอยู่นี่แหละอันในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความหมุนเวียนเปลี่ยนแ ป, ปลงไปใครจะมองในแง่ดีก็ตามมองในแง่ไม่ดีก็ตามแต่ว่าเหมือนกันหมดก็คือเปลี่ยนไปหาชาราและมรณะขยับเข้ามาทุกครั้งอสิงอื่นจะเพราะพราะชะ า, ามรณะเป็นธรรมมัามันเป็นความแน่นอนของธรรมชาติเนี่ยนะ ก็หลายๆเรื่องเราลืมนะแต่ความแก่มไม่ลืมเราลืมป่วยแต่ในที่สุดความป่วยก็โคจรมาหาเราถ้าลืมตายล่ะในที่สุดใครที่ลืมตายคนนั้นอะเกือบแล้วนะใครที่ใครถ้าใครที่ลืมลๆยัง ไ, ไม่แน่แต่ใครไม่ค่อยลืมเลยนะระวังพวกนี้จะรักษาสุขภาพดีเยี่ยมพวกนี้ก็ค่อนข้างอายุยืนหน่อยเพราะกลัวตายจะกลัวไม่กลัวไม่รู้ล่ะแต่ถ้ามันระแวงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายพวกนี้จะรักษาตัวอย่างดีแล้วก็อยู่อีกนานหน่อย แต่พวกที่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายโอ้ยอีกนานคนที่อยู่นานก็คือเราเนี่ยนะเราขอเป็นคนไปเผางานศพคนอื่นเป็นคนสุดท้ายจะใช่ไหมไม่น่อาจจะไม่ได้เป็นงานใครหรอกเพราะคนอื่นมาแต่ ง, งานเราไงนะ <c oughs> เมื่อสังขารทั้งหลายภายนอกก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปและสังขารภายในก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเราจะไปวางใจอะไรกับสังขารเหล่านี้นะว่าสังขารเหล่านี้จกดีอย่างที่เราว่า จากเที่ยงอย่างที่เราว่าจากสุกอย่างที่เราว่าเราไปมีอำนาจอะไรในสัพพสังขารทั้งหลายเหล่านี้สังขารทั้งภายในสังขารทั้งภายนอกสังขารที่อยู่ใกล้สังขารที่อยู่ไกลก็เป็นเช่นเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะสังขารแต่ละสังขารแม้กระทั่งหยับหยาบมาเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ยืนก็ไม่ถึงเดินเดินก็ <S <S ไม่ถึงนั่ง <S <S <asses> นั่งก็ไม่ถึงนอนทีนี้นั่งอย่างเดียวเนี่ยนะยมเปลี่ยนเมืกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่นั่งนะเมื่อกี่บิดแล้ว บิดซ้ายทีนั่งบิดขวาทีบิดซ้ายทีบิดขวาทีเดี๋ยวก็ก้มทีเดี๋ยวก็เงยทีเดี๋ยวก็อีกคู่ทีเดี๋ยวก็เหยียดทีมันคนละเรื่องกันแล้วนะจริงจริงมันก็มีการหมุนเปลี่ยนไปคนละขณะคนละขั้นคนละตอนคนละช่วงคนละระยะกันแล้วเดี๋ยวก็มันนั่งงี้มาตลอดเราอีกห้านาทีก็ลุกและอันนี้ ลูกต่อไปเนี่ยนะไอ้ลูกไปเนี่ยจะไปเดินอยู่ตลอดไหมมันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขยับไปขยับมาเดี๋ยวหมุนไปหมุนมามั้นรูปทึบนี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะมันก็มีการหมุนเปลี่ยนในในรายละเอียดของยืนเดินนั่งนอนมันยังมีการมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยในสิ่งที่ปลีกย่อยเหล่านั้นก็ถือว่าคนละอย่างกันคนละอย่างกันคนละอย่างกันในช่วงนี้เขาเรียกว่าพูดในลักษณะเชิงกระจายนะพูดว่าเออสิ่งเหล่านี้มีความกระจายกันนะ คือสังขารธรรมเนี่ยที่เราฟังมาแล้วเนี่ยไอ้ความเหมือนกับเป็นกลุ่มเป็นก้อนความเป็นองคมความรวมกันเนี่ยอันนี้นี่เรามองไม่ค่อยยากแต่ที่ยากก็คือในสิ่งที่รวมนั้นมันมีความกระจายอันนั้นในความเป็นหมวดเป็นหมู่นั้นมีความกระจายอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีความกระจายแม้กระทั่งเกี่ยวกับร่างกายของเรามันมีมันเหมือนกับเหมือนเป็นแท่งเป็นทึบที่เหมือนกับมัน มั่นคงแต่จริงๆแล้วมันค่อยๆกระจายใช่ไหมกระจายตามวัยบ้างกระจายตาทุกๆห้าปีสิบปีเอ่อทุกๆสิบปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีทุกๆสี่ 4, เดือนทุกๆสองเดือนทุกๆสิบห้าวันทุกๆกลางวันและกลางคืนทุกๆเช้าสายบ่ายค่ำปล่อยมาเปลี่ยนมาจนถึงทุกๆอิรยาบดยืนเดินนั่งและนอนในยืนเองก็มีรายละเอียดที่ปลีกย่อยมีความเปลี่ยนแปลงในขณะที่ยืน การเปลี่ยนแปลงในขณะที่เดินนั้นแต่ละส่วนมันมีความแตกกระจัดกระจายแตกทํำลายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยไม่ว่ารูปนั้นจะเกิดจากกรรมรูปนั้นจะเกิดจากกิตรูปที่เกิดจากอุตหุหรือรูปที่เกิดจากอาหารก็ตามนนทีนี้ถ้าแยกไปอีกระดับแม้กระทั่งขณะที่รูปที่เป็นไปในขณะตอนเห็นอย่างหนึ่งตอนได้ยินนี่ก็อย่างหนึ่งตอนรู้กลิ่นก็อย่างหนึ่งตอนรู้รสก็อย่างหนึ่ง ตอนรับประทบโธาพธาะก็อย่างหนึ่งรูปที่เป็นไปในขณะนึกคิดทั้งหลายก็ขณะหนึ่งมั้นขณะเห็นก็ไม่ใช่ขณะได้ยินเพราะสับทั้งหลายจะรับอารมณ์ทีละทวารเมื่อรับอารมณ์ทีละทวารขณะเห็นไม่ใช่ได้ยินขณะได้ยินไม่ใช่รู้กลิ่นขณะรู้กลิ่นไม่ใช่รู้รสแต่ก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสําหรับผู้ที่ไม่เคยทําปริญญาก็เลยมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันไปหมดแต่จริงๆแล้ว คนละอย่างกันนะทวารตาก็อย่างหนึ่งทวารหูก็อย่างหนึ่งทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็อย่างหนึ่งนั้นแต่ละทวารคนละอย่างทวารตาก็สิ้นในทวารตาสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปในทวารตาทวารหูก็สิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปในทวารหูทวารจมูกก็สิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปในทวารจมูกทวารลิ้นก็สิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปใน ทวารลิ้นทวารกายก็สิ้นไปเสื่อมไปแปรปลวนไปในทวารกายทวารใจก็เหมือนกันยิ่งทวารใจยิ่งแปรปรวนทุกกี่นาทีดีจริงก็แปรทุกคำนั่นแลละก็แปรไปทุกคําแปรไปทุกอารมณ์แปรไปทุกสีแปรไปทุกเสียงแปรไปทุกกลิ่นไปทุกเพราะว่าโลกของนามธรรมา ท, ทั้งหลายมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเนี้ยเมื่อใส่ใจแบบนี้แหะทั้งทั้งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ที่เป็นไปกับความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไป ถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไ ป, ไปเป็นธรรมดาก็ยังมีผู้ที่แอบหวังว่าน่าจะดีแอบหวังว่าสบายแอบหวังว่าเป็นสุขเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไม่ดำรงมั่นในคำสอนของพระอริยเจ้าว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมานตาแต่ก็ยังแอบหวังลึกในใจเลยใช่ไหมว่า หวังหรือไม่หวังหวังอนะหวังว่ามันมดีสิอร่อยนะอร่อยมากนะอนั่นก็อร่อยอันนี้ก็น่าทานลองดูนะไม่หวังได้ยังไงนั่นแหละสุขข ว, วิปลาสนะนะสุ ข, ขา ว, วิปลาสก็บอกโอ้โนี่แหละจะทําให้เราอายุยืนว่างั้นอันนี้อะไรวิปลาสอ่ะนิจจาวิปลาสหมูอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็เพื่อสุขภาพเนี่ยนะอันนี้เรียกสุ ข, ขาวิวปลาส อานะเรากินไปแล้วเราอยู่อีกนอนอันนี้ก็เป็นนิ จ, จวิปลาดนะนะแล้วก็เอออันนี้บำรุงผิวอันนี้บำรุงหนังบำรุงเอ็นบารุงตานะัก็เป็นสุภาวิปลาดก็เป็นไปกับความอ่า น, นะวิปลาดแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองดูแลได้ควบคุมได้จัดการได้ก็เป็นอัตตะวิปลาดที่วิปลาดเกิดอย่างนี้เพราะอะไร เพราะเขาไม่เจริญกายานุปัสนาสติปฐานอะไรเลยมันประกาศถึงว่าไม่เจริญกายานุปัสนาไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีปกติตามเห็นรูปแต่ว่ามันเที่ยงไม่เห็นรูปโดยความเป็นทุกข์มีปกติตามเห็นว่ามันเป็นสุขตาม inar, ตามเห็นรูปว่างามไม่ได้เคยคิดตรงกันข้ามเลยตามเห็นรูปว่าเหมือนตัวเองมีอํานาจดูแลควบคุมได้แต่จริงๆริงไหมไม่ใช่เลยนะนะไม่ใช่เลย มันก็ไม่เชื่อถามยมเปียกดูนะทำไปทํามาความดันมันขึ้นปุ๊บไปร้อยเนี่ยนะตัวล่างขึ้นตั้งร20เนี่ยนะดีจับเข้าโรงพยาบาลนะดีว่าไปทํางานที่โรงพยาบาลก็เลยจับไว้ที่โรงพยาบาลความดันมันลดลงมาทํางานต่อกันก็อย่างนี้แหละมีใครมีอํานาจอะไรอย่างแท้จริงในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือคือความจริงแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายพยายามใช้ชีวิตในตรงกันข้ามกับความจริงเหล่านี้ ใช้ชีวิตตรงกันข้ามสังขารมันไม่เที่ยงแต่หวังว่ามันจะเที่ยงเพราะันอยู่บนพื้นฐานลึกๆว่าจะต้องเที่ยงนะสจริงสังขารมันเป็นทุกหวังไว้ลึกๆว่ามันต้องสบายมันต้องสุขจริงๆแล้วรูปทั้งหลายมันเป็นอสุภะแต่ก็หวังว่ามันจะงามรูปทั้งหลายมันเป็นอนัตตาก็ยังหวังว่ามันเป็นอัตตา